สารพัดมิจฉาทิฐิที่เกิดขึ้นในโลกเพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะัสารพัดความชั่วร้ายเลวทรามในโลกไม่มีเห็นไหม ม, ไ ม, ม, มันก็เป็นที่ตั้งแห่งทิฐิอย่างเขามีลทัทธิไอ้ที่มานน่ากลัวนะละทัทธิฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าพ่อแม่นะแก่มากแล้วเนี่ยสมควรตายได้แล้ว เขาบอกว่าแค่ไหนจริงเรียกว่าสมควรตายก็ใช้ให้ขึ้นต้นไม้ลูกก็เขยา่าถ้าเขยา่าถ้าตกก็สมควรตายได้แล้วถ้าไม่ตกและไม่ตายนะแต่ถ้าไม่ตกเกาะได้แน่นอยู่ไปเลี้ยงต่อถ้าตกตายก็สมควรตายได้แล้วว่างั้นนั่นมันก็ลูกทั้งหลายเนี่ยนะทกากรรมเพราะอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เท่าไหร่ถ้าเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจของพ่อแม่เนี่ยนะมาาเมื่อวันก่อน ผู้ที่สร้างเจดีครอบพระปะถมเจดีเนี่ยฆ่าพ่อชื่อพญาเลยพญาพานเนี่ยฆ่าพ่อแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นพ่อนะฆ่าแต่ละตอนหลังจึงรู้ว่าเป็นพ่อนอนไม่หลับเลยนะเครียดตลอดเลยใครอีกข่าพ่อพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยนะหลังจากฆ่าพ่อก็นอนไม่หลับเลยแล้วก็ายายเนี่ยนะ ยายก็ยายเนี่ยเขามีพี่ชายพี่ชายของยายอหรอเนะียเขาก็มีมีลูกนนแล้วก็ลูกชายเนี่ยก็เป็นคนไม่กินเหล้าไม่อะไรก็อยู่บ้านเฉยๆนี่แหละตาเนี่ยจะชอบมากวนหละกวนลูกชายคนนี้เขามากมาหาเรื่องดา่ากันแหนกะแห น, แนวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าในที่สุดเนี่ยลูกชายคนนี้ก็เลยฆ่าอันนี้นี่ญาติของามาเองเนี่ย ก็ฆ่าก็ฆ่าพ่อเสร็จแล้วก็หนีไปอยู่ทางกรุงเทพมั้งนะี่ก็ถูกจับไม่ได้อะไรไม่ได้ก็ไม่ได้ถูกจับอะไรพอาะเขาก็พยายามปกปิดไม่ให้ให้รู้กันนะก็ไปทํางานอยู่กรุงเทพงานก่อสร้างก็ไปอยู่ทํางานแถวแถวไอ้ที่เขาปั่นจันทนะ่ะเขตอกตอกเสาเข็มเนี่ยนะตอกลงเข็มตอกไปตอกมาก็เลยถูกตอกหัวตายไปและนะ ข้าพ่อก็พ่อก็ตายไปแล้วนะตอนหลังอีกตัวเองก็ถูกปันจันเนี่ยทุบหัวตายก็เอเวจีเป็นที่หวังก็คือเขามีศัก์เป็นนาเนี่ยนะมีศักดิ์เป็นน้าญนะาติาทางแม่อ น, นะก็เพราะอะไรถ้าเขาไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาจะทํากรรมอั น, นั้นไหมอันนะเชื่อเลยว่าไม่ในระกหลายแสนปีนักไอ้ป้อมแดงที่เราไปขึ้นนะอาจารย์ทำป้อมนั้นก็ป้อมข้าพ่ออันนะป้อมแดงป้อมข้าพ่อ เมืองราชจะคึกนั้นก็วงฆ่าพ่อลูกพระเจ้าพิมพ์ิสานถูกพระเจ้าชาติศัตรูฆ่าพระเจ้าชาติศัตรูถูกพระเจ้าอุทัยพัทฆ่าพระเจ้าอุทัยพัทก็ถูกลูกตัวเองเนี่ยฆ่าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนข้างหลังเขาก็เละวงเละวงเนี่ยทิ้งแล้วก็สกสัตว์ที่ฆ่าพ่อเนี่ยมีมีมากเยอะมากเลยนะที่ฆ่าพ่อเมื่อวานก่อนยังไปดูว่าเด็ก1 3บ4ขวบเนี่ยพี่ชายสิน้อง13เอาไม้เบสบอลตีพ่อซะตายเลยฝรั่ง มันก็ถ้ามีตาหูจมูกเลนกายใจแล้วไปทำกรรมสารพัดกรรมเนี่ยนะก็หูเดือดร้อนมากแล้วก็นักโทษประหารเขาตัดอะไรก้าตัดตาหูจมูกิ้นกายใจนะ่ควักตาบ้างตัดแขนตัดขาบ้างนนะแม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บสารพัดก็อาศัยตาหูจมูกเลนกายใจเนี่ยเกิดขึ้นใครที่เกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยนะไม่เอาตาหูจมูกเลนกายใจไปแปดเปื้อนด้วยบาปหายากนักในโลก หายากจริงๆนะที่ที่ไม่อาศัยพวกนี้เอาไปทําบาสนะมีไม่เท่าไรหรอกเชแต่โดยมากเนี่ยผู้ที่อาศัยตาหูจมูกเล้นกายใจไปทําบาปมีมากกว่าทีนี้ที่สําคัญที่จะดับตันหาได้นะคู่ที่เป็นปฏิบัติต่อตันหาคืออะไรสมถะตัวที่เป็นปฏิบัติต่อวิชาคือวิปัสนาเนี่ยนะ ถ้ากําจัดอวิชากําจัดตัณหาได้กรรมก็เป็นอันสิ้นสภาพเนี่ยนะเพราะว่ากรรมนี้ในฐานะเป็นเป็นบริวารที่เรียกว่าเป็นบริวารที่เชื่อฟังตัณหากับอวิชาที่สุดเออเป็นอย่างเงี้ยแต่เขาค่อนข้างปัญญาอ่อนถ้าฆ่าหัวหน้าเสร็จนะเรียบร้อยเลยถือว่าเป็นอันกรรมนี้เป็นอันจบอันสินน้นนะถ้าตัณหายังมีอยู่นะโอ้ใช้ให้ทําสารพัดกรรม ทีนี้ที่สําคัญเนี่ยนะที่จะละตันหาได้เนี่ยรู้เห็นอย่างไรหนอจียงจากละตันหาและอวิชชาได้ตรงนั้นเนี่ยสำคัญใช่ไหมก็วิปัสสนาทั้งหลายพระสูตรทั้งหลายเป็นต้นนี่ก็เพื่อจะอธิบายวิธีตัดฉันทราคะในตาอย่างอาทิตตะปริ ย, ยัจสรที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะว่าตาเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนจมูกเป็นของร้อนลิ้นเป็นของร้อนกายเป็นของร้อนใจเป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะ เป็นที่ตั้งแห่งไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะแล้วก็ร้อนเพราะไฟคือชาติชรามรณนะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสหุปายาตนะก็อันนี้เรียกว่าเป็นของร้อนการพิจารณาโดยความเป็นของร้อนนี้เรียกว่าพิจารณาโดยทุกขลักษณะเขามีหลักการอยู่ว่าไม่ใช่ฐานะ ที่จักเป็นไปได้ถ้าตามเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นของสุขที่จักบรร ล, ลุอริยมรรคเป็นไปไม่ได้ถ้าเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเย็นสบายไปหมดเลยดีเยี่ยมอริยมรรคเกิดไม่ได้นของเราถ้ามาถามแบบนี้ลักษณะว่าอาริยมรรคใกล้จะเกิดหรือยังก็ต้องดูง่ายๆว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เย็นหรือร้อนคุณมนชูวันนี้เย็นหรือร้อนมาก ร้อนอะไรด้วยปัญญาหรือว่าหรือเพิ่งมาคิดได้อันนี้เอาเอาเป็นจริงเป็นจังนะตอนมื้ออาหารดูสิลิ้นนี่ร้อนจริงหรือเปล่าดูรูปสวยๆดูที่ตาเนี่อร้อนจริงหรือเปล่าไม่ปวดไม่เมื่อยสุขภาพดีเยี่ยมไปหมดดูว่ากายเนี่อร้อนจริงไหมคิดอะไรก็สมหวังไปหมดนะใจเนี่อร้อนจริงหรือเปล่าแม่ครูหวังอะไรก็สมหวังไปหมดเนี่ใจจะร้อนไหม ไม่ร้อนนะเย็นสบายโอยอย่างนี้นะห่างอาริยมรรคมากนห่างแล้วเกินเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องเนี่ยถ้าพิจารณาโดยทุกแล้วอริยมรรคจึงจะเกิดถ้าอาริยมรรคเกิดจึงจะแถลงแทงตลอดนิพพา น, น, นก็ลองดูว่าฟังอา้าวก็ถามตรงๆดีแล้วไปหลอกทำอะไรหลอกพลาเนี่ยบาปมากเลย พอมารู้แล้วแหละก็ถามไปงั้นแหละเ <c oughs> ชื่อไหมถ้าเย็นถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของร้อนนะพวกคุณอยู่บ้านไม่ได้หรอกเไหมไทำไมน้ยอาจได้อาจจะอยู่แบบจังเกศสอนนะนะ <c oughs> ปิดบ้านเงียบเลยงั้นะหลีกเล่นเลยนะต <c oughs> ิดบ้านห <c oughs> ลีกเล่นไม่ต้องไปหาต่าเขาที่ไหนและ <c oughs> ้ะมายุ่งกับใครเลยนะ <c oughs> ปิดบ้านอาจามิเนตบอกล็อกแม้กระทั่งประตูนอกเหมือนกันนะ บอกไอ้พวนี้เพียนมากไปหรอือเปล่ามีบางคนวิจารณ์ลักษนานั้นเอ๊ะทำไมเป็นเอามากกันขนาดนั้นว่างั้นจริงๆเพราะว่าเมื่อเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งหลายใช่ไหมมันก็อวิชชาตามหาแล้วก็กรรมโดยเฉพาะกรรมนะถ้าเราไปเห็นบางอย่างนะเราจะพูดวิปัสนาสมถาวิปัสนาไหมมี ม, มีแต่เดรัจฉานคถาฟังบางอย่างเนี่ยก็ฟัง เดรชาญกระถาเป็นต้นมันจึงไม่น่าคลุกเคลียอะไรมากมายนะมันพวกนี้ก็น้อมไปที่จะหลีกเล่นมากแล้วก็ตามเห็นตาโดยความเป็นทุกข์แต่ถ้าเห็นว่าเป็นสุขนะไม่ใช่ฐานะที่จะบรรลุอริยมรรคเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุอริยมรรคถ้าเห็นว่าตาเนี่ยเป็นของเที่ยงนะเห็นว่าเที่ยงเนี่ยนะก็ไม่เป็นเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุอริยมรรคเพราะจะต้องตามเห็นโดย อันนี้จะลักษณะลักษณะที่ไม่เที่ยงของตาหูจมูกลิ้นกายใจอะนะีอีกยี่สิบปีข้างหน้าการจะสอนคิดว่าจะอ่านหนังสือได้ไหมไม่ถึงเนาะไม่ถึงถึงอย่าว่าตาเลยนะกายจะยุ่หรือเปล่า <laughs> พาะ ก, กานอีกห้าสิบปีข้างหน้าจะมีหูให้ฟังเสียงอีกต่อไปไหมห้าสิบปีเนี่ยอายุร้อยสบ อายุร้อยิบเลยนะ <laughs> ไม่เหลือแล้วนะ <c oughs> คุณธพาถ้าอีกห้าสิปีข้างหน้านะลิ้นจะกินอาหารอร่อยหมห้าสิบปีห้าสิบปีก็อายุร้อยสิบพอดีนะไม่ไหวแล้วเนอะลิ้นคงรับรถไม่ได้แล้วคุณอารีถ้าอีกสี่ห้าสิปีข้างหน้าจะเดินกระฉับกระเฉงไหมไม่ไหวแล้วนะักายนี่ไม่ไหวแล้วนะแต่มืนอไถ้าอีกห้าสิปีข้างหน้านะสติปัญญาจะเท่าเดิมไหม คงลดลดประสิทธิภาพไปเยอะพวกการก็มีรหัสว่าคนแก่นี่ไปอะไรนะจะพูดอะไรก็ช้าใช่ไหมคิดนานมากกว่าจะพูดอะไรออกไปได้คำหนึ่งเหมัอนกันก็มีวิจารณ์ในห้องเราเนี่ยคนหนึ่งเคยบอกว่าเอ๊ะสามสี่ปีก่อนนะดูกระฉับกระเฉ ง, ค, งเคล่องแคล่วกว่าทุกวันนี้เยอะเอ๊ะช่วงนี้ให้พูดทำไมมันปรากฏชัดเหลือเกินก็คิดคิดเอากันแล้วการใคร เออแปลกนะนแตอนนี่มามาใหม่ๆก็มีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันเออดูเขากระฉับกระเฉงคล่องแคล่วพูดอะไรก็กระฉับกระเฉงไปหมดเ อ, อ๊ะช่วงหลังๆทำไมทำไมมันช้าเหลือเกินเนี่ยนะเหมือนกับเครื่องเก่าๆที่เกือบเสียแล้วจวไปเอ่ยชื่อเลยนะโทมนเลยนะอ๋อไม่ใช่พูดเรื่องที่เขาถนัดอยู่แล้วยังช้าเลย พูดที่เรื่องน่าจะพูดได้ปลอเลยนะมันยังไม่ปลอเลยนะไ ม, ไม่ใช่ใช่ตอบคําถามแบบนะคือมันจะก็เป็นจริงนะเพราะความวิการแห่งอินทรีย์แต่ธรรมธรรมะนะเขาก็ภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่เขาเรียกว่าสละสลวยมากเขาบองั้นแทนที่ใช้คําว่าวิการเนี่ยนะฟังแล้วดูดีใช่ไหมธรรมดาร่างกายมันก็วิการได้แต่ถ้าพูดอีกศัพท์หนึ่งกโกรธเลยนะ พิการนะจริงๆก็ความหมายเหมือนกันแต่ว่าเรียนเสียงไปอีกนิดหนึ่งนะพ่อข้าแต่ท่านบิดาต่างกันเยอะไหมพ่อกับบิดาเนี่ยนะโอ้ต่างกันเยอะพันก็ต้องตามเห็นนะไอ้คำว่าไม่เที่ยงในที่นี้เนี่ยมีหลายคนพยายามคิดในลักษณะคิดปทุสรายซึ่งไม่ใช่ ขันการพิจารณาถึงความไม่เที่ยงคือเขามองถึงอายุใช้งานะ น, นะอายุใช้งานว่าสิบปีที่แล้วเป็นยังไงสิปีนี้เป็นช่วงสิบปีนี้เป็นยังไงอีกสิบปีข้างหน้าต่อไปเนี่ยควรจะเป็นยังไงคือคือเรียกว่าทำความเข้าใจนะมองอายุการใช้งานพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าเจริญถึงความไม่เที่ยงความเป็นไปของของสิ่งนั้นๆไม่ใช่ไปคิดเออคนนี้เดี๋ยวก็ไม่เที่ยง ก็ถ้าคิดไม่ดีเหมือนก็แช่งให้เขาตายนะซึ่งไอ้อันนี้จารลักษณะเนี่ยไม่ใช่แช่งให้ตายแต่น้อมไปตามสภาพที่ที่เป็นจริงว่าเป็นจริงของเขาเนี่เป็นยังไงเขาไม่เที่ยงเพราะอะไรเขาไม่เที่ยงเพราะเหตุปัจจัยใดทีนี้อย่างอีกคำหนึ่งก็คืออนัตตาเนี่ยนะตามเห็นโดยอนัตกเรียกว่าอนัตตาหรืออนัตตลักษณะ อนัตตลักษณะก็คือเห็นเห็นว่าอย่างไงเห็นว่าใครมีอำนาจทําให้สิ่งที่เป็นทุกข์ว่าขอให้เป็นเป็นสุขใครมีอำนาจจริงๆบ้างใครมีอำนาจว่าทําให้อาจารย์เกสอนอมะตะได้ใครมีบ้างไม่มีนะใครมีอำนาจทําให้คนป่วยหายเจ็บนะทได้ไหให้สบายเลยนะมีอำนาจไปเป่าทีเดียวเนี่ยลุกขึ้นเดินปลอกลับบ้านเลย ไม่ใช่ไม่มีใครมีอํานาจจริงอ่ะนะร่างกายเน่าเฟะหมดเป่าทีเดียวหนุ่มสาวขึ้นมาทันทีเลยก็เป็นไปไม่ได้ฉะนันกายเนี่ยไม่มีผู้ใดมีอํานาจในตาหูจมกูกลิน้นกายใจยอย่างอย่างแท้จริงอะไรฉะนั้นก็อันนี้เรียกว่าอนัตตาคําว่าอนัตตาคือไม่มีใครมีอํานาจว่าทําให้เป็นสุขได้ไม่มีใครมีอํานาจทําให้เที่ยงได้เพราะฉะนั้นทั้งไม่เที่ยงด้วยทั้งเป็นทุกข์ด้วยทั้งเป็นอนัตตาด้วย สมควรไหมที่จะละชันทราคะในสิ่งเหล่านี้ก็สมควรนะนะที่พระองค์ตรัสว่าสิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสียสิ่งนั้นที่เธอทั้งหลายละแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขนั้นการตัดชันทราคะในตาหูจมูกลิ้นกายใจได้จึงเป็นสุขแต่ทีนี้ไอ้ที่จะตัดชันทราคาในตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เนี่ยไม่ง่ายอย่างคิดหรอกเนี่ย ก็ง่ายๆก็ลืมตาเห็นปั๊บน่ย น, นะฝึกษาธยายอธิตตปริยายสูตรไว้บ้างก็ดีนะเพื่อเผื่อเกิดอาจจะมีความรู้สึกว่าเออมันร้อนจริงๆอ่ะนะตอนที่ราคาเกิดเออร้อนโทสะเกิดก็ร้อนโมหะเกิดก็ร้อนให้มันมีความรู้สึกอย่างนั้นบ้างก็มีเขาว่าจะออกได้ทีนี้ที่ที่จะออกตาจา่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนะี่ยต้องมาฝึกคิดว่า ถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่ใช่ชาติใช่ไหมมาดูในหน้าหน้าอะไรดี น, 51, นะห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองนะจะให้ดูหน้าห้าสิบสองก่อนนะหน้าห้าสิบสองเนี่ยนะถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นอาชาติ ชาติเนี่ยคือพระนิพานใช่ไหมถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยคือไม่มีชาติอาชาติแปลว่าไม่เกิดชาตินี้เป็นความเกิดนี้เป็นภัยใช่เมื่อมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจึงเรียกว่ามีภยัยถ้าดับตาหูจมูกลิ้นกายใจได้จึงเรียกว่าปลอดภยัยเพราะการเกิดของตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นเป็นความทุกข์การไม่เกิดของตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เป็น สุขเพราะนั้นก็ต้องช่างสองตัวนี้ให้ดีถ้ายังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอารมณ์อยู่ก็แสดงว่าไม่ได้ออกจริงถึงเห็นโทษก็ไม่ได้ออกจริงก็เหมือนกับที่เรื่องเขากล่าวอย่างนี้เขามีภริยาคนหนึ่งนะเขาไปเข้าไปบริษัทปรับปัญหาชีวิตเรื่องคู่ครอง ไปถึงก็ไปเล่าความเสียหายให้ว้ที่ปรึกษาฟังวอุย้ยสามีของเขาเนี่ยเลวอย่างนั้นเลวอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ก็ไปเล่าไปเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงอะไรก็บอกว่าที่ปรึกษาก็เลยบอกว่าทําอุยมันเลวจริงๆเลยเนาะสรุปเท่าที่ฟังแล้วเลวมากทําไมคุณไม่หยามมันล่ะก็บอกเขาก็ไม่ได้เสียหายขนาดนั้นหรอกมองงนั้นแล้วก็กลับไปอยู่ต่อด้วยความสบายใจอย่างนั้น ก็โยมข้างหลังเหมือนกันคนหนึ่งบอกว่าอุ้ยเขาจะเล่าให้ฟังว่าแม่บ้านเขานะ่ยเลวอย่งงางนั้นไม่ดีอย่งงางนั้นนิสยัยอย่างงาั้นอย่างงาั้นอย่งางนัอย่างนั้นก็บอกว้าเมื่อไหร่จะอยากกันักทีะก็เลยเปลี่ยนเรื่องคุยเลยนะ <c oughs> <c oughs> ก็เพราะว่าไม่ได้เห็นโทษอะไรจริงๆอะไรมากมายใช่ไหมเมื่อไม่เห็นโทษจริงนั้นก็เลยเอะการคิดในสิ่งที่ตรงกันข้ามก็ยากตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เหมือนกันนะ ที่จะน้อมว่าชาปเนี่ยเป็นโทษอะชตินี้ไม่มีโทษถ้าไม่น้อมไปตรึกในลักษณะนี้เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะที่จะคลายกำหนัดเพราะว่าต้องมีฝั่งนี้ที่เรียกว่านิพานเนี่ยนะคือความไม่เกิดเป็นต้นเนี่ยอันนี้จึงเป็นที่สางแห่งความเมาเป็นที่เพิกถอนแห่งอะไรเชื่อของพระนิพานอย่างในหน้าห้าเอนี่ยนะอเซสาวิราโคสัโรคตันหาโดยไม่มีส่วนเหลือนิโรโท ความดับตัณหาโดยไม่มีส่วนเหลือจาโคนิพาเนี่ยเป็นชื่อจาระนะสละตัณหาโดยไม่มีส่วนเหลือปฏินิสัโคสละคืนมุติความพ้นอนารโยไม่มีอะไรราคัคคโยสิ้นตัณหาโทสัคคโยสิ้นโทสะโมหาคัโยสิ้นโมห์เนี่ยนะตัณหาคาัโยก็สิ้นตัณหาอนุปาทะอภวตตะอนิมิตตาอนาย hana เป็นต้นเนี่ยวันนี้เป็นชื่อของพระนิพาณซึ่งปกติต้องชั่งฟังที่เรียกว่าสังขารเนี่ยอย่างมาก เห็นทอดจริงๆเนี่ยจิตจึงน้อมออกถ้าไม่มีถ้ายังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอารมณ์ก็ยังมีวัตถุที่เรียกว่าชาติเป็นอารมณ์ถ้าพูดอีกในหนึ่งอ่ะนะ เ, เขานิยมใช้คาว่าถอดเหมือนใครเคยถอดประตูบังกรอนประตูอ่ะนะต้องต้องถอดลักษณะนั้นเหมือนถอดลิ่มสลักออกอ่ะนะถ้าถอดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอ่อาชาต คือความไม่เกิดเป็นอารมณ์นั่นแหละเรียกว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์ของทบทวนพอเห็นสัจจะนะตาเนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจคือตัวทุกความเพลิดเพลินในตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสมุ ท, ทยัยความที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เกิดเป็นนิโรธเนะี่ยะข้อปฏิบัติที่ไปกําหนดรู้ทุกละสมุทัยทานิโรธให้แจ้งเป็น นะก็ทบทวนนะว่าจากักขูจักขูสมุทัยจักขูนิโรธจักขูนิโรธาขามินีปฏิปทาถ้าไม่แทงตลอดบทอันนั้นก็โดยเฉพาะตัวเนี้ยเป็นตัวสําคัญที่สุดถ้ายังไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์นะอย่าคิดว่าเบื่อหน่ายจริงแต่ก็ พ, พอเห็นโทษดังที่ยกตัวอย่างไปก็รู้ว่ามันมีโทษอ่ะนะแต่ว่ามันไม่พอที่จะตัดฉันทราค่าได้เพราะฉะ น, นก็ต้องไปฝึกคิดในสิ่งที่มันตรงกันข้ามมากๆอ่ะนะ เก็บข้อมูลให้เพียงพอเจยงจากสลัดออกได้ถ้าไม่เห็นโทษจริงๆไม่ไ ม, ไม่ไม่น้อมไปเพื่อเพื่อพ้นจากสิ่งนี้เพราะว่าเราต้องเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอีกคลิกหนึ่งคือสังคตะความนิพพานเป็นอะสังคตะเนี่ยนะก็คือสังอีกชื่อหนึ่งก็คือสังคตะก็คืออะไรสังขาร อสังขตะนั้นเรียกว่านิพานตาหูจมูกลิ้นก า, ายใจเนี่ยเป็นสิ่งที่มีภัยพรนิพานนิเขมังอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าเกษมเกษมมันนะเขมังพยังกับเขมังเขาจะมาคู่กันเกษมในที่นี้หมายถึงความปลอดภัยนั่นเองนะก็ต้องชั่งใ น, นในสิ่งตรงนี้ตรงกันข้ามกันจนกว่าจิตจะหลีกออกจาก ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อใดที่ปัญญาเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยร้อนจริงๆอ่ะนะจิตมันก็น้อมไปจะออกได้จริงแต่ถ้าวันนี้ไปดูมาสุญญตาสูตรอ่า น, นะพิจารณาเป็นภายในใจมันก็ไม่น้อมไปอ่ะนะเช่นพิจารณาภายในให้เป็นภัยเป็นสังคตะเป็นสังขารเป็นเหยื่อมาน อันนั้นเป็นเยือมานเป็นต้นนะนะมารามิสโตเนี่ยนะเป็นเยอมานอนนะถ้าคิดอย่างนี้แล้วจิตไม่น้อมไปเลยนะอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาไม่ดำเนินหรือพิจารณาเป็นภายนอกภายนอกคือปีรูปสาตรูปนะดูที่แย่เข้าไปร้อนเลยนะเระอุขึ้นมาเลยใช่ น้อนไปแล้วมันร้อนขึ้นมาเลยไหมครูบุญชูเห็นไฟสิบ็ดกองเผาอยู่ในตาหูจมูกลิ่นกายใจภายนอกเลยไหมอันนี้เขาเรียกว่าถ้าไม่ไม่ไปนะเขาเรียกว่าภายนอกเนี่ยวิปัสนาไม่เล่นไปถ้าวิปัสนาเนี่ยเล่นไปก็คือเล่นไปว่าภายนอกเนี่อร้อนระอุเลยภายในก็ก็ไม่ต่างกันทั้งภายในทั้งภายนอกอะนะถ้าเห็นอย่างนี้ก็ว่าเออตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดนี้เป็นภัย เป็นสังฆะเป็นสังขาร เ, เป็นเหยื่อของมารหมายความว่าเป็นที่อาศัยเกิดของสาราาพัดบาปอกุศลก็น้อมไปเพื่อคิดในสิ่งที่ตรงกันข้ามนะนะฐานไอเอาการคิดตรงนี้สาคัญมากเลยอะไรฝั่งนี้เป็นวัตะกับวิวัตะต้องชั่งในส่วนนี้ให้ดีๆเลยถ้าชั่งไม่ดีนะยังไงไม่หลุดหรอกเชื่อเอ้อยมันเกาะห่วงยิ่งกว่าอะไรอีก ลองแมลงมันบินเข้ามาสิโอ้รีบกระพริบตาเลยนะหวงมากจริงๆเลยนะปกติเนี่ยสัตว์นี่ห่วงจริงๆเนะี่รัดตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยห่วงเหนทนุถนอมเอาอกเอาใจไปหาภาคก็เพื่อที่จะเอามาโชว์ไหมใช่งันก็เอามาปกปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้เนี่ยเป็นที่แม้กระทั่งอารมณ์ก็ไปหาสิ่งดีๆให้เขาคิดใช่ไหมว่าความทนุถนอมห่วงแหนใจเนี่ยแต่ก็ต้องฝึกคิดในสองส่วนนี้ให้ดีๆ แล้วก็คงไม่ลืมบทสีบทอมานนะเรียกว่าสัจจะสี่นะฝึกคิดนะตาหรือจักขูจักขูสมุทัยจักขูนิโรธจักขูนิโรธคามินีปฏิปทาโสตาคือโหเนี่ยนะโสตโสตสมุทัยโสตนิโรธโสตนิโรธคามินีปฏิปทาคานะคานะสมุทัยคานะนิโรธคานะนิโรธคามินีปฏิปทา เชีวหาชีวหาสมุทัยชีวหานิโรธเชีวหานิโรธคาขมินีปฏิปทากายะกายะสมุทัยกายะนิโรธกายะนิโรธถาขามินีปฏิปทามาโนมโนสมุทัยมโนนิโรธมโนนิโรธคาขมินีปฏาานนิปทาตาควรกำหนดรู้หรือว่าจักขูควรกำหนดรู้จักขูสมุทัยควรละ จักขูนิโรธควรทําให้แจ้งจักขูนิโรทค า, า ม, มินีปฏิปทาควรเจริญโสตะควรกําหนดรู้โสตะสมุทัยควรละโสตานิโรธ <im mates> ควรทําให้แจ้งโสตานิโรธค า, า ม, มินีปฏิปทาควรเจริญคานะควรกําหนดรู้คานสมุทัยควรละคานนิโรธ ควรทำให้แจ้งคาณะนิโรธาคาไมินีปฏิปทาควรเจริญชีวหาควรกําหนดรู้ชีวหาสมุทัยควรละชีวหานิโรธควรทําให้แจ้งชีวหานิโรธคามินีปฏิปทาควรเจริญกายะควรกําหนดรู้กายะสมุทัยควรละกายะนิโรธควรทําให้แจ้งกายะนิโรธคาไมินีปฏิปทาควรเจริญ มโนควรกําหนดรู้มโนสมุทัยควรละมโนนิโรธควรทําให้แจ้งมโนนิโรธค า, ามินีปฏิปทาควรเจริญถ้าเราจะบรรลุบรรลุยังไงตาบรรลุด้วยการกําหนดรู้หรือพูดอีกในหนึ่งนะจะักขุตรัสรู้ด้วยปริญญาจักขุสมุทัยตรัสรู้ด้วย ปะา a n a จะคูนิโรตตรัสรู้ด้วยการทําให้แจ้งหรือสัจฉิกริยาเนี่ยนะจะคูนิโรทัามินีปฏิปทาตรัสรู้ด้วยการเจริญมันก็จะเห็นอะไรนะเห็นทำที่เขาก็จะรู้กําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ละสิ่งที่ควรละทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งและเจริญสิ่งที่ควรเจริญถ้าทําอย่างนี้ก็ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ ที่สุดแห่งทุกคืออะไรที่สุดแห่งวัตถทุกขก็คือทำตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เป็นตาละวัตถุ ก, กตานนก็ว่ากตาเนี่แปลว่าทำอ่ะนะ ทำทำตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยให้เป็นเหมือนกับตอตาลคือศักแต่ว่าวัตถุอ่นะเคยเห็นใครเห็นต้นตาลที่เป็นตอบ้างตอตาเ น, นี่ยมันเป็นยังไงก็คือเป็นประเภทต้นไม้ที่เพราะไม่ขึ้นปลูกไม่ขึ้นนะไม่งอกเงยซึ่งถ้าเทียบกับตออื่นๆนะตออื่นๆยังจะงอกเงยขึ้นนะ ตตานเนี่ยไม่มีงอกเงยฉันใดทําตาหูจมูกเล้นกายใจไม่ให้งอกเงยฉันนั้นอันนะั้าแทงตลอดอมะตะบทดังที่กล่าวไปอย่างเช่นตาของผ้ารหันทั้งหลายตาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทิ้งตาอันนี้ไม่ถือเอาตานใหม่หันตาของพระองค์ศักแต่ว่าเป็นวัตถุนนะเป็นวัตถุที่ทําปริญญาเสร็จแล้วเนี่ยนะหูของพระองค์ก็สักแต่ว่าเป็นวัตถุที่ไม่งอกเงยเพราะไม่ขึ้นอีกต่อไป จมูกก็เพราะไม่ขึ้นอีกลิ้นก็พ่อไม่ขึ้นกายก็พ่อไม่ขึ้นใจก็พราะไม่ขึ้นซึ่งต่างจากปุุชนที่เรียกว่าทิ้งตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ก็ถือเอาใหม่ใช่ไหมผ้าหานทั้งหลายทิ้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้ไม่ถือเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจอันอันต่อไปเลยนั่นก็เรียกว่าตาละวัตถุกตาเนี่ยนะทำให้เป็นศักว่าเป็นวัตถุประดุจตามยอดด้วนทิ้งตาอันนี้แล้วก็ไม่ถือเอาตาอันใหม่ ทีนี้ถ้ามีผู้ที่เคารพสักการะบูชาตาหูจมูกลิ้นกายใจของพระพุทธเจ้าพระองค์คิดว่ายังไงถ้าใครสักการะตาหูจมูกลิ้นกายใจของพระองค์นะเช่นเคารพตาหูจมูกลิ้นกายใจสรรเสริญพระคุณต่างๆสรุปก็สรรเสริญตาหูจมูกลิ้นกายใจของพระองค์เนี่ยพระองค์ปรารบว่ายังไงเขาทําสักการะในวัตถุที่พระองค์ทำปริญญาเสร็จแล้วเนี่ยนะ ตาหูจมูกเลนกายใจของพระพุทธเจ้าพระองค์ทำปริญญาเสร็จแล้วใช่ไหมเมื่อผู้ใดกราบไหว้พระพุทธเจ้าเช่นกราบไ่ว้อย่างกายเนี่ยคือพระบรมธาตุเนี่ยนะบรมธาตุส่วนที่เป็นแบ่งเป็นอะไรเกสาธาตุโลมาธาตุทันตะธาตุเนี่ยนะหมอวิปินทันตะเขียนยังไงอา อันตนะหนักๆเข้าจะเขียนฟันไม่ถูกแล้ ว, ลวน่นอะอีกฐานาธาตุอันนี้นี่หมายถึงเขียวแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือบริคารนะก็ถ้าผู้ใดอย่างสมมติว่าไปกราบไหว้สการะนะก็กราบไหว้สการะในสิ่งที่พระองค์ ทำปริญญาเสร็จแล้วไม่มีอะไรที่ไม่ได้ทำปริญญาเพราะผู้ใดเคารพสการะสิ่งเหล่านี้พระองค์ก็บอกว่าพระองค์ทำปริญญาเสร็จแล้วแต่ถ้าเป็นส่วนใจนะทำไงสรนเสริญได้อย่างเดียวใช่ไหมตอนนี้สันเสริญใจเราสรเสริญใจของพระพุทรธเจ้าว่าไงก็สามประการพระอะไรปัญญากรุณาบริสุทธ ก็ยกย่องเนี่ยสามประการก็สรรเสริญใจของพระพุทธเจ้าแต่เป็นใจที่ตาละวัตถุกตาเป็นใจที่เรียกว่าด้วนลนะหมายความว่าจุติจิตของพระองค์เกิดขึ้นไม่มีต่อไม่มีโงกเงยเพราะพระองค์ทําปริญญาในวัตถุเหล่านี้เสร็จแล้วันถ้าพระองค์ไม่ได้ทําปริญญาในวัตถุเหล่านี้พระองค์ก็ไม่ปฏิญาณว่าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ